อนาปฏิวานพิชชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ 8451. อิบห้าพิชชนีมีสตรีคนใดคนหนึ่งที่รู้เดียงสายอยู่เป็นเพื่อน 2. องพิชชนีผู้ไม่ประสงค์ที่จะอยู่ในที่รับยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากัน 3. ามพิชชนีที่ยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันแต่คิดในเรื่องอื่น 4. ี่พิชชนีวิกลจริต5้าพิชชนีต้นบัญญัติ สิบขาบทที่2จบ